เพรนรูปนั้นเกิดโดยปัจจัยโดยขณะดับโดยปัจจัยและดับโดยขณะเวทนาก็เกิดโดยปัจจัยและโดยขณะสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันเกิดโดยปัจจัยและโดยขณะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับโดยปัจจัยและโดยขณะเวทนาเกิดเพราะอวิชชาเกิดเวทนาเกิดเพราะกรรมเกิดเวทนาเกิดเพราะตัญหาเกิดเวทนาเกิดเพราะผัสสะ เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเหมือนกันตรงที่ว่าภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนามีสัญญามีสังขารความเกิดขึ้นอันนีเพราะนั้นจึงกล่าวชัดว่าเพราะวิชาเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะกรรมเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะภาษาเกิดเวทนาจึงเกิดนี่เรียกว่าความเกิดโดยปัจจัยของเวทนาความเกิดโดยปัจจัยก็คือนิพพติลักษณะของเวทนา ความดับของเวทนาก็ดับโดยการห้านะโดยปัจจัยกับโดยขณะคือโดยปัจจัยก็เพราะวิชาดับเวทนาจึงดับเพราะตัณหาดับเวทนาจึงดับเพราะกรรมดับเวทนาจึงดับเพราะภาษาดับเวทนาจึงดับและอันิี้โดยปัจจัยสี่อย่างถ้าโดยขณะวิปรินามารักษณะของเวทนาสัญญากับสังขารนี่ไม่ต่างอะไรจากเวทนาส่วนวิญญาณเนี่ยที่ต่างก็คืออวิโดยปัจจัยเนี่ยนะ โดยปัจจัยก็คืออวิชชาเกิดวิญญาณจึงเกิดตันหาเกิดวิญญาณจึงเกิดกรรมเกิดวิญญาณจึงเกิดและนามรูปเกิดวิญญาณจึงเกิดในีนี่เรียกว่าเกิดโดยปัจจัยถ้าโดยขณะก็คือนิพพติละขณะของวิญญาณส่วนการดับการดับอวิชชาดับวิญญาณจึงดับตันหาดับวิญญาณจึงดับสังขารกรรมดับวิญญาณจึงดับนามรูปดับวิญญาณก็ดับแล้วก็โดย ขณะก็คือวิปริณามะลักขณะต่างกันนนะรูปเกิดเพราะอาหารเกิดรูปดับเพราะอาหารดับเวทนาสัญญาสังขารเกิดเพราะภาษาเกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับเพราะภาษดับถ้าวิญญาณล่ะวิญญาณเกิดเพราะนามรูปเกิดวิญญาณดับเพราะนามรูปดับมันที่อื่นๆนะเช่นในสังยตานิกายที่ทกล่าวถึงความเกิดและความดับของสติปัฏฐานว่า กายเกิดเพราะอาหารเกิดถ้ากายดับก็เพราะอาหารดับเวทนาเกิดเพราะภาษาเกิดเวทนาดับก็เพราะภาษาดับจิตเกิดเพราะนามรูปเกิดถ้านามรูปดับจิตก็ดับส่วนธรรมะก็เนื่องด้วยมณสิกานั่น These นะเช่นถ้าธรรมะที่เป็นนิวรณก็เพราะอโยนิสโสมณสิการถ้าโพชฌงก็เพราะโยนิโสมณสิกานปัจเหตุให้เกิดนิวรกับโพชฌงก็อยู่ที่มณสิกานั่นเอง ถ้าที่ใดพูดเวทนานะสัญญาสังขารก็เทว่าวพูดแล้วเพราะว่าเกิดร่วมกันปัญโดยสรุปโดยสรุปว่าขันธ์ห้าเกิดโดยปัจจัยและโดยขณะเกิดโดยปัจจัยก็คือตัวปัจจัยอวิชชาตันหากรรมอาหารภาัสสะและนามรูปอันนี้เรียกว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดขันธ์ห้านะ ถ้าลักษณะก็คือเหมือนการคือนิพพติลักษณะถ้าดับล่ะก็วิปริณามลักษณะถ้าเป็นพุพทธพจน์ที่อื่นๆนี่จะแสดงไม่ยา ก, กันนะบอกว่าเมื่อเธอมีจิตตั้งมั่นจะรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นอย่างไรรู้เห็นว่านี้รูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับไปแห่งรูปดังนี้เวทนาดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาดังนี้ความดับไปแห่งเวทนา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 รูปเกิดเกิดโดยอาการหดับโดยอาการหเวทนาเกิดโดยอาการห้าดับโดยอาการหสัญญาสังขารวิญญาณก็ในยะเดียวกันเพราะเมื่อย่อมใส่ใจโดยพิสดารคือโดยปัจจัยและโดยขณะเนี่ยนะย้ำในการพิจารณาอยู่เสมอว่ารูปมีเหตุเกิดขึ้นแม้อย่างนี้รูปมีเหตุเสื่อมไปแม้อย่างนี้รูปเกิดขึ้นแม้อย่างนี้รูปเสื่อมไปแม้อย่างนี้ ก so right. so, is wave, so so ็รูปมีเหตุเกิดอย่างนี้เรียกว่าโดยปัจจัยใช่ไหมรูปมีเหตุเสื่อมอย่างนี้เรียกว่าดับโดยปัจจัยรูปเกิดแม้อย่างนี้เรียกว่าเกิดโดยขณะเสื่อมไปแม้อย่างนี้เรียกว่าเสื่อมโดยขณะพอเข้าใจนะว่าดังนี้รูปรูปก็คือภูตารูปและอุปาทายรูปที่เกิดจากสมุทฐานสี่ทีนี้รูปเหล่านั้นอะรูปมีเหตุเกิดเพราะอย่างนี้เหตุเกิดคืออวิชา เกิดรูปจึงเกิดตัณหาเกิดรูปจึงเกิดกรรมเกิดรูปจึงเกิดอาหารเกิดรูปจึงเกิดอันนี้คือเหตุให้รูปเกิดเหตุที่ทําให้รูปดับอ่ะคือเหตุที่ทําไม่ให้รูปเกิดก็เพราะวิชาดับรูปจึงดับเพราะตัณหาดับรูปจึงดับเพราะกรรมดับรูปจึงดับเพราะอาหารดับรูปก็ดับอันนี้เรียกว่าเหตุเสื่อมหรือเหตุดับของรูปแต่สภาวะของเขาอ่ะเกิดขึ้นอย่างนี้คือนิพัติลักษณะแปลีไปอย่างนี้ เรียว่าเสื่อมไปอย่างนี้เรียกว่าวิปริณามะลักษณะก็ต้องแยกให้เป็นนะว่าอการพิจารณาเดี๋ยวจะสงเคราะห์ลงสัจจะอีกครั้งหนึ่งนั้นโดยปัจจัยโดยขณะนี้สําคัญมากเพราะว่าจะทําให้เราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเข้าใจอริยศาสตร์หรือไม่อยู่ตรงนั้นในข้อ7จ็ยยีกล่าวว่าเมื่อพระโยคีนั้นมนาสิการอยู่อย่างนี้ความรู้ว่าธรรมะเหล่านี้ไม่มีก็มามีขึ้นพอมีแล้วก็กลับเสื่อมไปดังได้ทราบ มาหนี้เองเนี่ยนะก็รู้อยู่แล้วจากไม่มีมา ม, ม, มีขึ้นมีแล้วก็หมดไปย่อมเป็นธรรมชาติที่เกล้ากล้ายอย่างยิ่งเมื่อพระโยคียเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยสองประการคือโดยปัจจัยและโดยขณะอยู่อย่างนี้ประเภทแห่งสัตจปะปฏิจจสมุปาฏนายะและลักษณะย่อมปรากฏชัดเจนประเด็นนะให้ให้สังเกตไว้ห้าคำนะห้าข้อหนึ่งโดยปัจจัยกับโดยขณะ อ่นนะนประเภทแห่งปัจจัยและขณะนะสองประเภทแห่งสัจจะสามประเภทแห่งปฏิจจสมุปบาทสี่ประเภทแห่งนัยยะห้าประเภทแห่งลักษณะอันนี้คือคือท่านท่านว่าคนที่รู้เหตุเกิดความดับหรือที่เราเรียกภาษาไทยย่อว่ารู้เกิดดับจริงต้องเข้าใจห้าอย่างนี้อธิบายห้าอย่างนี้ได้จึงชื่อว่าความรู้เกิดดับถูกต้องถ้าอธิบายเป็นห้าอย่างนี้ไม่ได้ อันนี้ม่วนี่มาดูข้อที่แรกก่อนนะว่าโดยปัจจัยก่อนโดยปัจจัยกับโดยขณะว่าจิงอยู่ข้อที่พระโยคีนั้นเห็นความเกิดขึ้นแห่งขันทั้งหลายเพราะปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นเกิดและเห็นความดับไปแห่งขันทั้งหลายเพราะปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นดับไปนั้นใดนี้เป็นการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยปัจจัยของพระโยคีนั้นโดยปัจจัยใช่ไหย ตัวอีกครั้งว่าปัจจัยที่เหมือนกันทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคืออะไรอวิชชาตันหากรรมโดยชื่อนะเหมือนกันแต่แต่ว่าเหตุก็อาจจะคนละอย่างกันทีน่นี้รูปเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดเวทนาสัญญาสังขารเพราะภาษาเกิดวิญญาณเพราะนารูปเกิดอันนี้โดยปัจจัยเกิดโดยปัจจัยถ้าดับโดยปัจจัยอวิชชาตันหากรรมดับขนันห้าก็ดับเน่นละแต่ทีนี้ถ้าอาหารดับรูปดับภาษาดับเวทนาสัญญาสังขารดับ ถ้ะาน้ำรูปดับวิญญาณดับอันนี้เรารู้ปัจจัยนะทีนี้โดยขณะรู้ขณะว่าส่วนข้อที่พระโยคีเมื่อเห็นนิทัติลักษณะและวิปริณามลักษณะย่อมเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันทั้งหลายใดนี้เป็นการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยขณะของพระโยคีนั้นณนะรู้ความเกิดโดยขณะและก็ความเสื่อมไปโดย ขณะคิดดูคิดง่ายๆว่าเกิดโดยขณะก็คือขาขึ้นใช่ไหมเสื่อมไปโดยขณะก็คือขาลงขาเสว่อมเนี่ยนะขาหมดสภาพอล้ะนะจึงอยู่นิพพติลักษณะมีในขณะที่เกิดขึ้นนั่นแหละวิปริณามลักษณะมีในขณะที่แตกดับนะนะาเกิดกับขาเสวมแต่ว่าเกิดเสืมเนี่ยตรงนี้เรีวยกว่าอาะไรนะอุปาทาิฏฐิพังคะนะกลุ่มนั้นแต่การรู้อุปาทถาีติพังคะโดยที่ไม่รู้ปัจจัยเนี่อะไรจะเกิดขึ้นเสียหายไหม ก็รู้แต่เกิดดับทุกอย่างในเรื่องนี้เกิดดับหมดถ้าหากว่าไม่รู้โดยตัดใจเลยนะรู้แต่เกิดดับเฉยๆเนี่ยไม่มีอะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรสักนิดเดียวเลยนะ<ม>เห็นอะไรไม่เข้าใจ<ม>ตามเห็นสี นี้สรุปว่าการรู้เหตุเกิดความดับนี้ข้อที่สําคัญกลุ่มที่หนึ่งต้องทําความเข้าใจว่าเกิดโดยคันโดยปัจใจหรือโดยขณะดับนั้นดับโดยปัจใจหรือโดยขณะตรงนี้สําคัญมากนะกำหนดจดจําให้ดีในการพิจารณาทุกเรื่องถ้าเราจะพิจารณาอะไรเกิดดับสักอย่างหนึ่งก็ทบทวนนะว่าโดยปัจจัยกับโดยขณะนั่นเองกลุ่มที่สองคือว่าด้วยสัจจะเพราะว่าการรู้เกิดดับนั้นต้องสัมพันธ์กับความรู้เรื่อง อริยสัจเมื่อพระโยคีนั้นเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยอาการสองคือโดยปัจจัยและโดยขณะอยู่อย่างนี้สมุทัยสัจย่อมปรากฏด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยเพราะยังรู้ถึงเหตุที่ทําให้เกิดอนะว่าทุกข์ทั้งหลายขันห้าเนี่ยคือตัวขณะใช่ไหมตัวขันห้าคือตัวขณะทีขันห้าที่มันเกิดมันต้องเกิดโดยปัจจัยตัวปัจจัยนั่นแหละคือสมุทัยสัจจะนะวิชาตันหากรรมนั่นแหละคือสมุทัยสัจจะ ตัวขันท่าที่เกิดนั่นแหละเป็นตัวทุกขสัจจะเนี่ยนะมันก็การรู้อวิชชาตันหากรรมอาหารนี่ก็เรียกว่ารู้สมุทัยทุกขสัจย่อมปรากฏด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยขณะเพราะอย่างรู้ถึงชาติทุกข์ไอ้คำว่าเกิดที่นี้เนี่ยท่านเล็งตั้งแต่เริ่มเกิดตั้งแต่เมื่อใดตั้งแต่ชาติตั้งแต่ชาติตตาตค่อยๆไล่สืบเนื่องมา นิโรสัจจะย่อมปรากฏด้วยการเห็นความเสื่อมไปโดยปัจจัยเพราะยังรู้ถึงความไม่เกิดแห่งธรรมทั้งหลายที่มีปัจจัยโดยการที่ปัจจัยไม่เกิดคือขันธ์ห้านี่เมื่อเกิดก็เกิดเพราะปัจจัยถ้าปัจจัยไม่มีโดยประการทั้งพวงขันธ์ห้าจะเกิดได้ไหมไม่ได้ก็อย่างที่ที่พระสัชิแสดงทำให้พระสารีบทฟังย้อนว่าธรรมเหล่าใดคือขันธ์ห้านี่ยมีเหตุเป็นแดนเกิดก็คือเมียวิชาตัญหากรรมนี่แหละเป็นแดนเกิด พระพุทธเจ้าตรัสถึงตัวเหตุคืออวิชชาตันหากรรมเป็นต้นหลันั้นที่ทําให้ขันท่าเกิดและพระองค์ตรัสถึงความดับเหตุคือดับอวิชชาตันหานี่นะพระพุทธเจ้านี่มีปกติอย่างนี้มีปกติกล่าวสอนให้ดับเหตุคือให้ดับอวิชชาตันหาและกรรมนั่นแหละคำว่าดับกรรมนี่ดับที่กิเลสนะถ้าดับสิ้นกิเลสก็ถือว่าเป็นอันสิ้นกรรมถึงกรรมมีอยู่กรรมก็ไม่ให้ผลถ้าสิ้นกิเลสเนี่ยนะ เพราะนั e ้ตัวทุกขสัจจะคืออะไรตัวขณะนั่นเองตัวนิพพติลักษณะก็คือทุกขสัจตัววิปริณามลักษณะก็คือทุกขสัจตัวเกิดโดยปัจจัยนี้ชื่อว่ in, าสมุทัยส SI ัจดับโดยปัจจัยนั้นชื่อว่าอะไรสัจจะนิโรสัจจะนิโรสัจจะทวนอีกครั้งหนึ่งนะรู้เกิดโดยปัจจัยชื่อรู้สมุทัยสัจรู้ดับโดยปัจจัยชื่อรู้นิโรสัจจะ ตัวเกิดขึ้นกับตัวแปรไปเนี่ยนะเป็นทุกขศาสตร์นันะในพัติลักษณะกับวิปริณามลักษณะเป็นตัวทุกขศาสตร์คือตัวขันห้าตัวเกิดก็คือตัวขันห้าตัวดับไปก็คือตัวขันห้าขันห้าเกิดโดยปัจใจถ้ารู้ปั จ, จัยเรียกว่ารู้สมุทยศาสตร์ถ้ารู้ว่าถ้าปัจจัยดับขันห้าก็ดับอันนี้เรียกว่ารู้นิโรธสัจจะส่วนข้อที่พระโยคีนั้นเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปอันใด น, นี้จัดว่าเป็นโลกิยมมรัส เพราะเหตุ น, นั้นมกษัตริย์ก็เป็นอันปรากฏเพราะมีความเพราะมีการกําจัดความลุ่มหลงในธรรมเหล่านั้นได้นะเลิกโง่อสทีว่างั้นเถอนะเลิกลุ่มเลิกหลงนะก็รู้เห็นว่าเออเกิดด้วยประการอย่างนี้นะดับด้วยประการอย่างนี้ก็ดังที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเราย่อมกล่าวความสิ้นอาสะวะสําหรับผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่เราไม่กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสะวะสําหรับผู้ไม่รู้ไม่เห็น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 ปัญญานี่คือตัวเห็นทั้งตัวที่เห็นเนี่ยเจริญความเห็นอันนี้เอาไว้เรียกว่าเจริญสัมมาทิฏฐิแต่ว่ามรรคไม่ใช่มีสัมมาทิฐิอย่างเดียวฉันมรรคมีองแปดแต่นี้ยกสัมมาทิฐิว่าตัวปัญญาที่เจริญที่เป็นองค์มรรคข้อที่หนึ่งอ่ะคือตัวที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปพิจารณามันก็สรุปว่าถ้ารู้เห็นเรื่องเกิดดับจริงๆต้องประมวลลงอริยสัจได้ใช่ไหมทดสอบอีกครั้งหนึ่งว่ารูปมีรูปนี้เวทนาสัญญาสังขารปั ญ, ญญานี้เรวารู้ทุกขสัจ นี้ความเกิดแห่งรูปนี้ความเกิดแห่งเวทนานี้ความเกิดแห่งสัญญานี้ความเกิดแห่งสังขารนี้ความเกิดแห่งวิญญาณนี้รู้อริสัจจะสมุทัยศาสตร์นี้ความดับแห่งรูปนี้ความดับแห่งเวทนานี้ความดับแห่งสัญญานี้ความดับแห่งสังขารนี้ความดับไปแห่งวิญญาณอันนี้เรียกว่ารู้นิโรสัจต์ตัวที่เข้าไปรู้เหตุเกิดรู้ความตัวที่เข้าไปรู้รูปตัวที่ไปรู้เหตุเกิดของรูปตัวที่ไปรู้ความดับไปแห่งรูปนั้นเป็น มักศักดิก์เนี่ยนะมักทัศน์โถมักเพราะอาจว่าเห็นเห็นธรรมชาติของมักเป็นธรรมชาติที่เห็นเนี่ยมาดูปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะถ้ารู้เกิดดับเนี่ยต้องรู้ปฏิจจสมุปบาทได้นะต้องอธิบายปฏิจจสมุปบาทได้จึงจะชื่อว่ารู้จริงรู้เกิดดับจริงถ้าหากว่าอาธิบายเป็นปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ก็ไม่รู้จริง อันนึง่งการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจใจแห่งพโยคีนั้นอนุโลมปฏิจจสมุปาตยย่อมปรากฏเพราะมีการอย่างรู้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดเพราะสิ่งนี้เกิดอะไรเช่นอวิชชาเป็นปัใจใจจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจใจจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจั pelos, ยจึงมนะีานามรูปนามรูปเป็นปัจใจจึงมีสลายยตนาสลายยตนะเป็นปัจัยจึงมีภาษาภาษาเป็นปัจัยจึงมี เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณะโศกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลก็มีด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเรียกว่ารู้โดยปัจจัยอย่างแท้จริงคือรู้สมุทยัยสัจจะหรือปฏิจจสมุปบาทนี้เขาแบ่งออกเป็นสองวาระสมุทัยวาระกับนิโรธวาระ สมุทัยวาระคืออนุโ ล, ลมอนุโลมมัยอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นนี้เรียกว่าอนุโลมวาระภาพปฏิโลมแหะอ่นนะการเห็นความเสื่อมไปโดยปัจจัยเป็นปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทย่อมเป็นอันปรากฏเพราะการอย่างรู้ว่าเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับสิ่งนี้ดับเพราะสิ่งนี้ดับคือเพราะวิชาดับโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารจึงดับ ถ้าสังขารดับวิญญาณจึงดับถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับถ้านามรูปดับสลายยตนะก็ดับถ้าสลายยตนะดับภาษาก็ดับถ้าภาษาดับเวทนาก็ดับถ้าเวทนาดับตัณหาก็ดับถ้าตัณหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณาโสกาปริเทวะทุกขโทมาัะและอุปาญาก็ดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ทั้นการกล่าวอะไรเนะ โดยปัจจัเนี่ยชื่อว่ากล่าวสมุทัยสัตว์ที่ที่กล่าวถึงสายเกิดนะถ้าสายดับเป็นนิโรสัรจจะส่วนการเห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปโดยขณะปฏิจจสมุตปณปธรรมทั้งหลายเป็นอันปรากฏเป็นการอย่างรู้ถึงสังตาลักษณะคือตัววิชาสภาวะของเอกของเขาอะนะสภาวะของวิชาก็เป็นสังขตลักษณะใช่ สภาวะของสังขารก็เป็นสังขารลักษณะสภาวะของวิญญาณก็เป็นสังขารลักษณะสภาวะของนามรูปก็เป็นสังขารลักษณะเป็นต้นสภาวะของรูปก็เป็นสังขารลักษณะสภาวะของเวทนาก็เป็นสังขารลักษณะสภาวะของสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นสังขารลักษณะแปลว่าสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นธรรมชาติของขันธ์ห้าเป็นธรรมชาติที่ถูก ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจัยนั่นแหละเขาจึงเกิดขึ้นเห็นไหมเพรา ะ, ะเอะสังขาลักษณะกับทุกขสัตย์คือสิ่งเดียวกันด้วยว่าธรรมะที่มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปทั้งหลายชื่อว่าธรรมะที่เป็นสังขตะก็คือตัวเขาเองเนี่ยเขาเกิดเป็นแล้วก็เสื่อมเป็นใช่ไหมเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีความเกิดเป็นธรรมดา เกิดธรรมดาเน่เพราะอะไรเกิดเขาจึงเกิดได้เกิดธรรมดาเพราะอาวิชชาตัญหาอุปาทานนั่นแหละเกิดเขาจึงเกิดได้แต่เขาก็มีความดับไปเป็นธรรมนานะถ้าดับเหตุได้เขาก็ดับจริงอะ่ะธรรมะที่เป็นสังคตะเหล่านั้นชื่อว่าปฏิจจสมุปปณธรรมคือปัจยปปจยุปันปัจจยุปันเช่นว่าอาวิชะชะรามรณะเป็นปัจจยุปันคือเป็นผลชารามรณาเนี่เป็นปฏิจจสมุปปณธรรม ชาติเป็นปฏิจจสมุปบาทชาติเป็นปฏิจจสมุปปณธรรมเพราะเป็นปฏิจจสมุปบาทนะปฏิจจสมุปบาทกับปฏิจจสมุปปณธรรมต่างกันยังไงปฏิจจสมุปบาทเป็นเหตุปฏิจจสมุปปณธรรมเป็นผลก็คือเหตุกับผลเหตุกับผลเหตุกับผลผู้สยยากหมดเลยนะไม่เอาคําง่ายๆเนาะถ้าง่ายถ้าเอาแบบง่ายง่ายก็เกิดดับนี่แหละง่ายที่สุด่ะ แต่รู้แล้วมันรู้อะไรบ้างรู้เท่าเดิมเหรเนะ่ยกเกิดดับสิเราเคาะกลัมังดูปังแล้วก็ ด, ดับไปพอไม่ใหมบรรลุกเลยเกิดมาไม่เคยได้ยินนะใครฟังกลัมังตอนนั้นบรรลุไม่รู้อะไรสักอย่างอันนะทีนี้กลุ่มต่อไปอแในกลุ่มชุดที่หนึ่งพูดเรื่องอะไรนะโดยขณะก็โดยโดยปัจจัยก็โดยขณะสองโดยสัจจะสามปฏิจจสมุบาทแล้วต่อไปโดย การละ ก, กิเลสสี่อย่างหรือโดยนัยยะสี่ก็ได้โดยนัยยะสี่กับโดยละ ก, กิเลสสี่นี้เหมือนกันโดยประเภทแห่งนัยยะนะโดยประเภทแห่งนัยยะกับละ ก, กิเลสนี้เหมือนกันนะในข้อเจ็ดรอยยี่สิบเก้าเนี่ยนะเขียนเลยว่าเขียนโน้ตหัวข้อว่านัยยะสี่หรือการละกิเลสสี่ก็ได้เพราะนัยยะสี่กับการละ ก, กิเลสสี่นี้สัมพันธ์กันถ้ารู้นัยยะสี่ก็ต้องละ ก, กิเลสสี่อย่างได้ อันหนึ่งการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัยแห่งพระโยคีนี้ชื่อว่าเอากัตนาย่ยอมปรากฏเพราะอย่างรู้ความไม่ขาดสายแห่งความสืบต่อด้วยความสืบเนื่องการแห่งเหตุและผลเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ย่อมละอุเฉท ท, ทิฏฐิได้ด้วยดียิ่งขึ้นเอกัตนายน่หมายคำว่าเป็นนัยะที่เป็นอันเดียวกันหมายคำว่าเหตุกับผลเนี่ยก็ต้องสมควรการสมดุลกันจะไม่ขัดแย้งต่อกันอันเหตุกับผลเช่นวิบากก็ต้องมาจาก กรรมกรรมก็ต้องเป็นปัจจัยแก่วิบากทีนี้เมื่อกรรมเป็นปัจจัยแก่วิบากกรรมที่เกิดขึ้นก็เกิดหลังไหลไม่ขาดสายวิบากจะขาดสายไหมไม่ขาดสายเพราะกรรมเป็นปัจจัยจนมีวิบากแล้วใครที่รู้ว่าจะบอกใครจะพูดไหมว่าวิบากเกิด ล, ลอยๆพูดได้ไหมกรรมที่ทําแล้วไม่มีผลพูดไม่ได้เมื่อมีวิบากก็ต้องสาวไปหากรรมถ้ากรรมเกิดขึ้นต้องมองไปที่ วิบากก็จกทะทรากอุเฉทัติทิฏฐิเพราะพวกอุเฉทติ ท, ทิฏฐิถือว่าศูนย์วิบากที่เกิดขึ้นก็เลยอยกรรมที่ทําก็ไม่มีผลต่อไปเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความเป็นอันเดียวกันคือเอกัตตนาหรู้ว่าเหตุมีผลจึงมีเหตุกับผลสัมพันธ์กันไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้แน่นอนเอกันตะแน่นอนเหมนกันเถิดแน่นอนเป็นนัยยะที่แน่นอนมากว่ากรรมต้องเป็นกรรมที่เกิดขึ้นต้องเป็นปัจจัยแก่ วิบากไม่ไม่มีการเปลี่ยนเนี่ยนะก็รู้อย่างนี้ก็ละอุเฉต ท, ทีิทีได้เพราะพวก อ, อุเฉตปฏิเสธเหตและปฏิเสธผลนในที่หนึ่งนะหนึ่งเอกัตนายสองด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยขณะนานัตตนายย่อมปรากฏเพราะยังรู้ความเกิดขึ้นแห่งธรรมใหม่เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ย่อมละสัสตะได้ด้ดียิ่งขึ้น อันนี้ตัวตัวเหตเุเน้นไปที่ตัวปัจจัยใช่ไหมเอกัตตนาในเนี่ยสุดแท้แต่ปัจจัยถ้าปัจจัยใดเกิดผลก็ต้องเกิดแน่นอนทีนี้ถ้าเป็นนานัตนายคือปัจจยุบบันที่ต่างกันปัจจยุบบันคือต่างกันเช่นการเกิดมาครั้งแรกแต่ละพบเนี่ยผลเนี่ยการเกิดขึ้นทุกพบเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนแล้วถามว่าชีวิตในขณะนี้เช่นว่าทวารตาเนี่ยตาตาสมัยเด็กกับตาตอนนี้ของเราอันเดียวกันไหม ไม่อันเดียวกันต่างกันโดยสิ้นเชิงไหมก็คล้ายกันน่ะนะจะว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงก็เลยทงจะว่าเหมือนกันไปหมดก็เกินไปนะมันก็อะไรนะตอบยังไงก็ผิดมั้นแกะสัมพันธ์กันเนี่ยนะเช่นเพ่อเมล็ดเนี่ยนะพ่อเมล็ดแจะจนออกมาเป็นต้นมะม่วงเนี่ยเมล็ดกับมะม่วงอันเดียวกันไหมโคราอันใช่ไหม ถ้าคนละอังก็คนละพันสิสายพันเดียวกัน น, นะนะไม่รู้ว่าถ้าใครพวกเลยทงยังก็ต้องเข้าทิศที่ตัวใดตัวหนึ่งจนได้ น, นะนะก็ตอนของเราทั้งหลายนะถ้าถ้าเป็นอะไรนะเด็กโตนี้เหมือนกันไหมคนที่เป็นเด็กกับคนโตนี้เหมือนกันไหมในคนคนเดียวกันนะสมมติว่าตอนทัน้นตอนอายุหนึ่งขวบตอนที่ก่อนคลอดออกมาจนถึงอายุหนึ่งขวบเนี่ยนะกับ ผ่านไปสามสี่สิบปีนี่คนเดียวกันไหมถ้าบอกคนเดียวกันอ้าทาไมไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะถ้าคนละคนหมดสิทธิ์รับมรดกอ่าถ้าคนละคนไปเลยนะหมดสิทธิ์รับมรดกมดไม่ต้องเป็นพา ย, ยาใช้นามสกุลกันไม่ได้อะไรไม่ได้ถ้าคนละคนไปเลยอะนะคือเนี่ยลักษณะผู้ศาสนาจะที่บายในลักษณะนี้จะว่าสิ่งเดียวกันเลยก็ไม่ใช่ จะว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ไม่ใช่แต่สิ่งเหล่านี้สืบเนื่องเชื่อมโยงกันไปในลักษณะนี้ผู้ศาสนาจึงเป็นศาสนาว่าเยกมงองนะจะมองไม่ใช่มองให้มันต่างไปหมดแต่ก็ไม่ใช่มันเหมือนกันไปหมดก็ไม่ใช่พันกรรมและผลของกรรมก็ลักษณะนั้นนั่นแหละฉันชีวิตของเราที่เกิดมาจะว่าคนเดียวกันไปหมดมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าใครพิจารณาโดยรูปสัจกรรมมาเป็นอย่างดีไม่ใช่ปัญหาเลย เพราะว่าชีวิตแต่ละวัยแต่ละวัยก็คนละอย่างชีวิตทุกๆสิบปีก็คนละอย่างชีวิตทุกๆสี่ปีห้าปีก็คนละอย่างคนละอย่างทุกสองปีสามปีหนึ่งปีหรือทุกๆหลายๆฤดูทุกๆเดือนก็คนละอย่างคนละอย่างแต่จะว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงก็คนละดีเอนเิไม่ใช่ใช่หก็ยังพิสูจน์หลักฐานได้อยู่ นี่ต่อไปถ้าถ้ารู้ว่าความแตกต่างอย่างนี้นะว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันโดยสิ้นเชิงนี่แหละเรียกว่าละสัสตตทิฏฐิได้ด้วยการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยปัจจัยแห่งพระโยคีนี้เรียกว่าอัพยาปารณายย่อมปรากฏเพราะอย่างรู้ถึงภาวะที่ทำทั้งหลายมีสภาพไม่เป็นไปในอำนาจเมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมละอัตตทิฏฐิได้ด้วยดียิ่งขึ้นอนนะั้นบอว่าถ้ารู้ปกติรู้เกิดโดยปัจจัยเรียกว่ารู้อะไรสัจ อืมสมุทัยสัจจะถ้ารู้เกิดโดยปัจจัยเรียกรู้สมุทัยสัจจะถ้ารู้ดับโดยปัจจัยเป็นนิโรธสัจจะและใครไปดับและใครไปสร้างใครไปสร้างวัตตะและใครไปดับวัตตะสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ไม่มีใครหรอกถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับ มันจึงไม่มีใครเนี่ยเรียกวอัพยาปาละมันอัพยาอัพมันแค่อะไรอัพยากตาระนะเหตุเกิดเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็มีถ้าเหตุนี้ดับผลนี้ก็ดับนี่เราอัพยาตราในย่อมปรากฏเพราะฉะนั้นก็ละอัตตาไม่มีใครไปมีอำนาจในจริงนะสิ่งนั้นอย่างแท้จริงอะไรหรอกไม่มีอัตตาเข้าไปเป็นผู้สร้างไม่มีอัตตาเข้าไปเป็นผู้ดับไม่มีอัตตาสร้างวัตตะไม่มีอัตตาที่ไปดับวัตตะ เพราะเหตุนี้มีผลนี้จึงมีเพราะผละเพราะเหตุนี้ดับผลนี้จึงดับไม่มีใครไปสร้างไม่มีใครไปดับะนะถ้ายังมีใครสร้างยังมีใครดับอยู่ก็กลับไปเรียนยาตาปริญญาใหม่ใช่ไหมแปลว่าฟังยาตะปริญญาไม่ค่อยเข้าใจไม่เป็นไรนะจะรีบไปทึงไหนนะขึ้นไม่ได้ก็กลับไปที่เดิมกลับไปหากอไก่เหมือนเดิมนะทำไมอ่านหนังสือไ่ออกสักทีก็ไปดูกอไก่ใหม่ ทีนี้ต่อไปนัยยะที่ต่อไปว่าส่วนการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจใจเรียกว่าเอเอวังธรรมตาในย่อมปรากฏเพราะอย่างรู้ความเกิดขึ้นแห่งผลสมควรแก่ปัจใจอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆธรรมดาเนอะวิบากที่มันเกิดขึ้นกับธรรมดาตามสมควรแก่เหตุตามสมควรแก่แกเหตุตามสมควรแก่ปัจใจนี่ธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้แล ธรรมดามันเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อเหตุนี้มีผลนี้จึงนี้ไป น, นีน้เมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมละอกิริยะทิฏฐิได้คือหมายคำว่ารู้เกิดเกิดขึ้นโดยเหตุโดยปัจจัยถ้าจะดับก็ต้องดับที่เหตุและปัจจัยเนี่ยนะอันนี้ เ, เรียกว่าโดยนัยสี่นัยสี่คู่กับการละกิเลสสีถ้ารู้เอกัตตาในละอะไรละอุเฉททิฏฐิถ้ารู้โดยนานัตตาในละ สัสตทิฏฐิถ้ารู้โดยเอวังธรรมตาในละละอกิริยทิฏฐิลองสลับข้อดูแค่ น, นั่นเองนะถ้ารู้อพยาปาณัยละอัตตาทิฏฐิรู้การเกิดโดยปัจจัยเนี่ยชื่อว่าเอกัตตาในแล้วก็สามารถละอุเฉต ท, ทิฏฐิรู้การเกิดโดยขณะเรียกว่ารู้นานตนาในละสัสตตทิฏฐิ รู้ความเกิดและความเสื่อมโดยปัจใจเรียกว่าอัพยาปารณาทีละอัตตทิฏฐิรู้เกิดโดยปัจจัยเป็นเอวังธรรมตาไนละอกิริยะทิฏฐิเนไหมดังั้นในหน้าสองเอ่อเจ็ดรอยี่สิบเก้าขึ้นมาเป็นแบบนี้ทบกทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าผู้ที่รู้เรื่องของอะไรนะเกิดกับดับเนี่ยนะเกิดดับคําว่าเกิดเนี่ยมาจากคําว่าอะไรนะ อุทยะใช่ไหมดับก็คือวิยะแต่ถ้ารู้เกิดจริงก็ต้องรู้จักอะไรถ้ารู้จักเรื่องเกิดจริงก็ต้องรู้จักสมุทยัยสัจจะถ้ารู้เรื่องดับจริงก็ต้องรู้จักนิโรธสัจจะเนี่ยนะสภาวะที่เกิดดับนั้นเป็นทุกขสัจจะเนี่ยนะตัวที่เกิดตัวที่ดับคืออะไรตัวเกิดตัวดับเป็นชื่อของขันห้าปัจจัยที่ทําให้เกิดชื่อว่าสมุทัย ที่จะดับได้จริงก็ต้องดับด้วยนิโรศจจะธรรมภาณิผ่านให้แจ้งทีนี้ไอาการเกิดเนี่ยนะก็คือแบ่งเป็นสองอย่างไม่เกิดโดยปัจจัยกับเกิดโดยขณะอะไรเกิดขันห้าเกิดนะยังไม่หลงนะทำมตัวขันห้านะคือตัวเกิดตัวดับแต่มันเกิดโดยปัจจัยปัจจัยหลกัหลกๆก็มีอยู่อะไรบ้างหนึ่งอวิชชาสองตัณหาสาม ก ร, รมสอาหารห้าภาษาหกนามรูปอันนี้คือตัวปัจจัยตัวปัจจัยใช่ไหมตัวปัจจัยที่ทำให้เกิดขันห้าถ้าโดยขณะก็นิดเดียวคือนิพพติลักษณะลักษณะที่เกิดถ้ารู้ว่าขันทั้งหลายเกิดโดยปัจจัยชื่อว่า มีความเข้าใจในเอกักกตไนเอกัตตาเนี่ยมาจากคําว่าเอกะบวกตาตะกับไนเอกะก็แปลว่าหนึ่งใช่ไหมตาตาแปลว่าความไนก็คือไนยะไ น, นยะแห่งความเป็นอันเดียวกันอันเดียวกันยังไงอันเดียวกันว่าสมมติว่าถ้ากรรมมีหรือบากก็มีถ้าขันห้าขันเกิดเพราะอะไรเกิด เพราะอาวิชชาเกิดเพราะตัญหาเกิดขันท่าจึงเกิดเพราะกรรมเกิดขันท่าจึงเกิดอันนี้เรียกว่ารู้ความเป็นอันเดีย ว, ยวกันระหว่างเหตุกับกับผลเป็นความเป็นอันเดียวกันก็จะละอุเฉท ท, ทิฏฐิเพราะพวกอุเฉท ท, ทิฏฐิถือว่าผลเกิดลอยลยผลทุกอย่างที่มีขึ้นในโลกนี้มาลอยๆอยเหตุที่ทําทุกวันก็ไม่มีผลต่อไปอันนี้คือลักษณะของอุเฉท ท, ทิฏฐิถ้าผู้ใดรู้ว่า ปัจจัยนี้มีผลนี้ก็เกิดอย่างเช่นที่รู้กันที่กล่าวว่าถ้าเหตุอดีตให้ผลอดีตเหตุอดี ต, ดตให้ผลปัจจุบันเหตุอดีตให้ผลต่อไปในอนาคตการรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้เอกปณัยว่าออมันสัมพันธ์กันอย่างนี้นะผลที่เกิดขึ้นไม่ปราศจากเหตุเหตุที่ทําอยู่นี้ก็ไม่ไร้ผลก็ละอุเฉททิฐิได้ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งสองรู้เกิดโดยขณะอะไรเกิด ที่ง่ายๆว่าชาติชรามรณะชาติคือความเกิดชรามรณะคือความเสื่อมชาติคือความเกิดโดยขณนะชรามรณะคือความเสื่อมโดยขณนะการที่รู้ขณะอย่างนี้เรียกว่ารู้นานัตไตน์นะ น, น, นานัตไตน์ก็สามารถรถักษณะตัฏฐิถ้ามองชีวิตเป็นสามชาตินะสามชาติหนึ่งอดีตใช่ไหมปัจจุบันอนาคตถามว่า อดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยคนคนเดียวกันไหมคนเดียวกันไหมพระเวสสันดรสันดิสิทธ์เทพบุตรเจ้าชายสิทธัตถะคนเดียวกันไหมจะว่าคนเดียวกันก็ไม่ได้จะว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ไม่ได้แต่เชื่อมสัมพันธ์กันนะนะสัมพันธ์กันลักษณะนี้คือคือ คือมองเห็นความต่างว่ามันจริงๆมันไม่เหมือนกันแล้วเอาในคนคนเดียวกันสมมัยชาติปัจจุบันแบ่งเป็นปฐ ม, มวัยมัชชิมะวัยแล้วก็ปัชชิมวัยยังคนคนเดียวกันอยู่หรือไม่อยกตัวอย่างว่าเอาเด็ชายเฟิร์สนายเฟิร์สกับคุณลุงเฟิร์สนี่คนเดียวกันอยู่หรื อ, มอไม่เหมือนไม่เหมือน ถ้เหมือนกันตลอดก็เรียกเด็กชายเฟิร์ส ต, ตลอดไปตอนนี้ก็เรียกคุณลุงเฟิร์สได้เลยถ้าเหมือนันเดียวกันไปหมดแต่ว่ามันเป็นการอะไรนะสัมพันธ์นี้เขาเรียกว่าความต่างกันมันต่างแบบนี้คือจะว่าเหมือนกันมันก็เหมือนแหละแต่มันมีความต่างในส่วนรายละเอียดอยู่นะก็ละ่ะสัสตตถิธิเพราะพวกสัสตตธิธิถือว่าเที่ยงเที่ยงยั่งยืนและมั่นคง <c oughs> แต่ทีนี้การเกิดขึ้นของเหตุและผลน่ะนะ ถ้ามันจะเกิดเพราะมีปัจจัยทําให้เกิดขันห้าถ้าจะเกิดเพราะปัจจัยทําให้เกิดถ้าจะเสื่อมเพราะปัจจัยทําให้เสื่อมเห็นนะเกิดเพราะปัจจัยเสื่อมไปเพราะปัจจัยอันนี้เป็นอัพยาปารณัยเนี <complac> ่ย<ช>นะอัพยาอัพยาปารณัยเนี่ยถามว่ามีใครทําให้เกิดไหมไม่มีมีใครทําให้เสื่อมไหมไม่มีแต่พวกอัตตาที่อัตอต อัตตาทิฏฐิพวกอัตตาถือว่าฉันเป็นคนสร้างมันขึ้นฉันเป็นคนดับมันมีผู้ทําให้เกิดมีผู้ดับแต่จริงๆเนี่ยเกิดเพราะปัจจัยเกิดถ้าจะดับจริงก็เพราะปัจจัยดับจึงไม่มีผู้สร้างจึงไม่มีผู้ดับแต่เหตุมีผลมีถ้าเหตุดับผลดับคือหลักการก็เป็นอย่างนี้นี่เป็นอัพยาปาณาทเชื่อมโยงกันจะละรับที่อัตตาได้เพราะไม่มีใครเป็นผู้สร้างไม่มีใครเป็น ผู้ดับจริงอย่างที่เขาบอกว่าทุกมีจริงแต่ทุกอันนี้ไม่มีผู้สร้างแต่เหตุทุกมีจริงแต่ไม่มีใครเป็นทุกเหตุให้เกิดทุกมีจริงแต่ไม่มีใครเป็นผู้สร้างเหตุตัวนี้เป็นผลทําให้เกิดทุกความดับทุกมีจริงแต่ไม่มีผู้ใดดับโคตรปฏิบัติให้ถึงความดับทุกมีจริงแต่ไม่มีผู้ปฏิบัติ แต่อริยมรตมีองค์แปดเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เพราะฉะนั้นถามว่าในทุกข์มีใครอยู่ไหมไม่มีสมุทัยมีใครอยู่ในนั้นไหมนิโรธมรตมีใครไปอยู่ในนั้นไหมอันนี้เราพู้าศาสนาเป็นสุญญตาปฏิสังยุตดดวยสุญญตาคือความว่างคือมันมีแต่มันว่างไม่ต้จะว่างเลเคยเห็นเครื่องเสียงไหมเวลาเปิดเทปเนี่ยระบบสัมพันธ์เชื่อมโย ง, งนนันมีใช่ไหมมีหรือใครอยู่ในนั้นไหมไม่มีทําไมมันดังอะ่ะ เพราะเหตุปัจจัยเพราะตามระบบของมันใช่ไหมเพราะมีไฟมีอะไรเพราะเป็นไปตามระบบนั้นน่ะนะลักษณะผู้ธศาสนาจะพูดอย่างนี้เขาจึเรื่องอะไรสังสารจักรสังสารวัฏเนี่ยนะมันเป็นระบบจกักรกลมันเป็นระบบเชื่อมโยงกันนี่ความเกิดโดยปัจจัยเนี่ยนะรู้ความเกิดโดยปัจจัยคือความเป็นธรรมดาเอวังธรรมตามันธรรมดาของมันอย่างนั้นเลยเนี่ยนะ ถ้าเหตุถ้าอวิชชาตันหามีทุกข์ก็มีนี่เป็นธรรมดาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะถ้าจะดับทุกข์จริงมันต้องดับที่ปัจจัยสรุปว่าเออเมื่อมันเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ถามว่าจำเป็นต้องดับหรือไม่ดับธรรมดามันจะเกิดมันก็เกิดข้างมันอย่างเงี้ยถ้าเหตุดับนี้ผลจริงดับเราเป็นรัที่ปล่อยปละละเลยไหม ไม่ใช่นี่จึงละอาคริยะทิฏฐิแต่สมัยใหม่บอกเราจะไปทําอะไรมามันจะเกิดมันก็เกิดมันอยากดับมันก็ดับของมันเองก็เลยเป็นลัที่อกิริยะทิฏฐิทุกอย่างเป็นอนัตตาปล่อยเลยไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมละที่มีไม่ใช่ในโลกมีไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมจริงๆเนี่ยคําสอนนี่ผิดผิดผิดตรงกันข้ามเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญสิ่งที่ควรเจริญก็ไปปฏิเสธการเจริญเข้าว่ามันเป็นอนัตตาไง ก็เลยไม่ต้องไปเจริญอะไรซากอย่างแต่จริงๆเนี่ยต้องเจริญในสิ่งที่ควรเจริญพันพวะอันนี้จิงแกลทกทัที่อกิริยะทิฏฐิอกิริยะทิฏฐิแปลว่าปฏิเสธการทำลทัทธินี้ปฏิเสธการปฏิบัติเห็นไหมคะข้อหนึ่งกับข้อสี่เหมือนกันแต่ทาไมละทิฏฐิต่างกันละคะอโดยลักษณะต่างกันความเป็นธรรมดากับความเป็นคือคือ ตัวนี้เนี่ยต้องการปฏิเสธตัวทิฏฐิอุเฉททิฏฐิไอเอกัตตะในนะมุ่งปฏิเสธพวกอุเฉททิฏฐิพวกอุเฉทททิฏฐิถือว่าเหตุไม่มีีขอไปผลที่เกิดผลที่เกิดขึ้นอยู่นี้ไม่ได้เกิดจากเหตุเหตุที่ทําอยู่นี้ไม่มีผลนี่คือพวกลักษณะของอุเฉททิฏฐิส่วนอาคิริยะทิฏฐิบอกว่าเออเมื่อทุกอย่างมันเป็นไปตามปัจจัยอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันก็ปล่อยมันไปเลย ไม่ต้องเจริญกุศลอะไรเพราะทุกอย่างมันเกิดดับหมดอยู่แล้วไม่ต้องไปทําอะไรมันเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงอะ่ะเดี๋ยวปล่อยไปเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นนามนตาไม่ต้องไปทําอะไรมันอันนี้แหละพวกลักษณะของอกิริยทิฏฐิเพราะยิ่งรู้เหตุเกิดโดยทุกทั้งหลายเกิดโดยปัจปจัยถ้าดับปัจปจัยดับจึงต้องปฏิบัติเพื่อดับปัจปจัยเนี่ยนะั้นการกล่าวตรงนี้เพื่อให้นําไปสู่การเจริญ อริยมรรคเป็นการแสดงเพื่อให้ไปเจริญปฏิปทาญ า, าณทัศนวิสุทธิว่าที่จะดับปัจจัยเหล่านี้ได้นะต้องไปดับที่โดยอาศัยข้อปฏิบัติคือมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนข้ามอธิบายเหล่านี้นะภาษาธรรมะท่านชอบยกคำว่าถ้อยคำเหล่านี้คำภีรภาพแปลว่าสภาพที่ลึกซึ้ง ปฏิสังยุต์ด้วยสุญญาตาต่อไปในอนาคตคนจะไม่เรียนนคนจะไม่ฟังจะไม่เงียสวดลงฟังบอกว่าไม่ควรฟังไปฟังคำนั ก, กวีดีกว่าเพรางั้นอันนี้เราได้เรียนบ้างก็ดีแล้ว คืามีนะพระสูตรที่พระองค์บอกว่าต่อไปนะถ้อยคําของตถาคตทตี่เป็นโล ก, กุตร ะ, ร ะ, ะคำภีรภาพปฏิสังยุทธเดีสยสนิจตาต่อไปเขาจะไม่เรียนไม่ฟังอันรอกเขาจะไปเรียนคําที่ถ้อยคําของนักกวีที่แต่งไพเราะลึกซึ้งอะไรไงนะพระองค์ก็แสดงอันนั้นคือเหตุให้าศาสนาเสือ่อมนะนะลักษณะนี้อย่างนี้อธิบายค่อนข้างยากเพราะถ้าพื้นฐานอะไรนะยาตะปริญญาไม่ดีตีระปปริญญาไม่ดีเนี่ย ไอ้ฟังแล้วมันเข้าใจแต่ไม่รู้เข้าใจว่ายังไง น, น, น, น, นะนะก็มันนยยะของเกี่ยวกับเรื่องเกิดดับน ะ, ะสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างนี้แลก็เกิดที่ในข้อนี้ต่อไปอีกนิดหนึ่งเนละว่าเมื่อพระโยคีนั้นเป็นผู้มีประเภทแห่งสัตว์จะประเภทแห่ง คือเป็นผู้มีความรู้เรื่องสัจจะปฏิจจสมุปบาทรู้ประเภทแห่งนัยยะรู้ลักษณะชัดแลว้วอย่างนี้สังขารทั้งหลายย่อมปรากฏเป็นของใหม่เป็นนินั่นเทียวอย่างนี้ว่าธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดังได้ทราบมาอย่างนี้เองอันนั้นก็ถือว่าเป็นของชั่วขณะใช่ไหมอันหนึ่งสังขารทั้งหลายไม่ใช่จะปรากฏเป็นของใหม่เป็นนิดแต่อย่างเดียวเท่านั้น ยังปรากฏอย่างนี้ว่าตั้งอยู่ชั่วกาละนิดหน่อยเหมือนอยากน้ำค้างในเวลาพระอาทิตขึ้นยิ่งยิ่งชีวิตของมนุษย์ของเราเนี่ยนะถ้าเทียบกับจาตุมแล้วเร็วไหมแป๊บเดียวเองอะนะถ้าไปเทียบกับสวรรค์ชั้นสูงๆด้วยถ้าเทียบกับพรหมโลกคอายุของเรากี่นาทีของพรหมอ้ยเดียวนะเขาเขากะพิตา ย, ยังไม่เสร็จต้งโนตายแล้วอย่างเงี้ยนะ บอกว่าน้อยจริงๆอายุน้อยมากเหมือนน้าค้างบนยดอดหญ้าใช่ไหมอาทิตย์ขึ้นมาแล้วก็หายไปเหมือนฟองนะ า, ามฟองนาา้ําก็อยู่ชั่วระยะหนึ่งเหมือนอย่างรอยไม้ที่ขีดไปบนน้าแว๊ดเดี๋ยวนะยสมัยเด็กชอบขีดน้ําเล่น น, นะนะก็แว๊เ ด, วแดเดี๋ยวแป๊บเดียวเหมือนอย่างเมล็ดพันธุ์บนปลายเหล็กแหลมเหมือนอย่างสายฟ้าแลบชั่วเห็นภาพนิดหน่อยก็ หมดแล้วเนี่ยก็ไปถามดูเจอคนอายุมากๆนี่เหมือนว่าเกิดมานานเต็มทีแล้วเบื่อเต็มทีแล้วโลกเกิดมานานละอย่างนั้นไหมยิ่งอายุเร็วขึ้นอายุมากขึ้นยิ่งบอกปู่ทาไมมันเดีวอย่างนี้ทําไมมันเดีวอย่างนี้หลายคนปีใหม่เข้ามานะน้อยก็บอกแกอีกปีเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอ่างนั้นนะนะแม่โคที่จูงไปสู้ที่ฆ่ามัน้อยเดียวอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงเหมือนสายฟ้าแลบหาสาระไม่ได้ปราศจาก แก่นสารเหมือนอย่างมายามายาคืออะไรเหมือนภาพยนต์นั่นแหละเหมือนมายาคนนะ่ะเหมือนภาพยนต์เหมือนจอแก้วจอที่จอเงินจอทองอะไรทั้งหลายนะั้นไม่มีก็เป็นของหลอกลวงแล้วก็พยับแดดระยิบระยับนะะเหมือนความฝันเหมือนล้อไฟล้อไฟเคยเห็นไหมล้อไฟเป็นยังไงเอาทูบอ่ะเอาทูบมาจุดกลางคืนแล้วแกว่งอ่ะนะเป็นวงล้ออ่ะอันนี้คือเรียกว่าเหมือนล้อไฟแล้วก็เหมือนเมืองคนทัน เมืองคนทันก็คืออะไรก็คือผีมาแสดงละครอะนะแล้วมันก็หายไปหมดอะนะเมืองคนทันก็บอกว่าเช่นว่าอะไรนะพวกผีมันหลอกก็เหมือนกับอะไรเมืองเมืองในโลกของที่มันสร้างขึ้นในจินตนาการอะนะคล้ายๆแบบนั้นหรือเมืองที่พวกผีสร้างขึ้นก็ชั่วระยะแค่เล่นนิดหน่อยก็หมดแล้วแล้วก็เหมือนกับฟองน้ําเหมือนกับต้นกล้วยต้นกล้วย ด้วยววิอด้ยภาวนาวิธีเพียงเท่านี้หมายว่าวิธีข้อปฏิบัติดังที่บอกไปนี้นะเป็นอันพยโยคีนี้ได้บรรลุญาณชื่อว่าอุทย พ, พยะอุทยพพยานุปัสนาญาณซึ่งยังเป็นตุณวิปัสนาญาณก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ระดับยังอ่อนๆนะยังเด็กๆอยู่นะที่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นความรู้ของเด็กๆเขาฝุ่นยกไม่ก็แก่แต่เนื้อหนังไง แต่ว่าความรู้ยังละอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นยานที่ตั้งอยู่แทงตลอดลักษณะห้าสิบท่วนโดยอาการอย่างนี้ว่าสิ่งนี้มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานั่นเดียวย่อมเกิดและความเกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเสื่อมไปก็สิ่งที่เสื่อมเป็นนั่นแหละมันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดแล้วมันก็หมดสภาพดังนี้ย่อมเป็นอันพระโยคีได้บรรลุแล้วเพราะได้บรรลุวิปัสนาญาณอย่างอ่อนแห่งพระโยคีใด พระโยคีนั้นก็ย่อมถึงการนับว่าอารัธาวิปสัสสกเขบอกว่าอารัธาคือผู้ปรารบเนี่ยนะปรารบความเพียนเพื่อเห็นแจ้งเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นแจ้งเพราะฉะนั้นผลแห่งการปฏิบัติอันนี้ก็จะทำให้เกิดวิปัสสนูปกกเลส